เสียงอ่านหนังสือเจ็ดเดือนบรรลุธรรมงานเขียนโดยดังตรินเสียงอ่านโดยโจโฉคำโปรยหน้าปกเป็นมนุษย์พบพุทธศาสนามีค่าแค่ไหนโปรดฟังตรงนี้ก่อนคนเราหายใจเข้าออกกันจนเคยชินไม่หยุดหายใจแม้ขณะเผลอเหมอ่อหรือหลับไหลไร้สติ ไม่หยุดหายใจแม้ขณะผิดหวังรุนแรงกับโลกภายนอกและไม่หยุดหายใจแม้ขณะกำลังตั้งหน้าตั้งตาแสแหวงวิธียุติทุกข์ด้วยทางลัดตัดช่องน้อยแต่พอตัวแม้อาการร้องไห้ใจจะขาดก็ต้องอาศัยลมหายใจในการช่วยร้องคนเราชาชินกับลมหายใจซะจนลืมว่าตัวเองยังมีลมหายใจ มีลมหายใจแม้ขณะทยานอยากได้อยากเอาสมบัตินอกกายมีลมหายใจแม้ขณะยื้อแย่งแข่งขันเอาชัยกับคนอื่นและมีลมหายใจแม้ขณะแห่งวินาทีสุดท้ายที่ยึดมือญาติผู้มาดูใจก่อนลาจากชั่วนิรันด์แม้กําลังออกแรงชักเยาะกับมัจจุราชก็ต้องอาศัยลมหายใจในการออกแรง เรามีลมหายใจติดตัวมีสิทธิหายใจทุกวินาทีนับแต่แรกเกิดและมีความสามารถในการหายใจเข้าออกสั้นยาวไปต่างๆตามปรารถนาแต่กี่คนที่เรียนรู้ว่ามนุษย์อาจเป็นสุขอยู่กับลมหายใจทุกเฮือกของตนเองกี่คนที่ตระหนักว่าลมหายใจอาจเป็นสมบัติล้ำค่าน่าเชยชมกว่าสมบัติใดๆกี่คน ที่วาสนาดีพอจะมีโอกาสรับฟังความจริงว่าตราบใดยังถือครองลมหายใจมนุษย์ตราบนั้นเราอาศัยลมหายใจนั่นเองเป็นบันไดขั้นแรกขั้นกลางและขั้นท้ายเพื่อส่งให้ก้าวขึ้นคว้าประโยชน์ขั้นสูงที่สุดในโลกได้ภายในเวลาเจดเดือนพระพุทธเจ้าสิ้นพระชนเสด็จดับขันธปรินิพานานานแล้ว พระกราชกายขององค์ท่านจากพวกเราไปแล้วทุกวันนี้ไม่มีใครได้โอกาสสดับพระสูตรเสียงแห่งองค์ท่านอีกแล้วทว่าความเป็นพระศาสดาท่านยังคงอยู่ตราบใดที่พระวจะนะยังถูกบันทึกสืบทอดไม่ขาดสายนับแต่ครั้งยังต้องอาศัยการจดจำผ่านวิธีท่องบนด้วยปากมาจนถึงการจานลงบนใบลานกระทั่งล่าสุด ใช้สื่อเก็บข้อมูลด้วยแสงเลเซอร์ในยุคเราส่วนที่ว่ายังมีการเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับจะมีใครช่วยกันรับรู้ถ่ายทอดและน้อมนำพุทธพจน์มาปฏิบัติให้เกิดผลยืนยันมากน้อยเพียงใดการมีพุทธพจน์อยู่ในตำราหรือแผ่นซีดีรอมเป็นเพียงโอกาสให้เข้าเฝ้าได้เทว่า ยังไม่เกิดการเข้าเฝ้าจริงแต่อย่างใดเลยยกตัวอย่างง่ายที่สุดปัจจุบันชาวพุทธผู้รักดีมักมีความสงสัยกันอย่างแรงว่าตนสามารถบรรลุมรคผลได้ในชาตินี้ไหมเพราะฟังจากคนรอบข้างก็เหมือนจะช่วยยืนยันกันเองตามอัตโนมัติว่ามรคผลล้าสมัยแล้วไม่มีใครสำเร็จทำได้แล้ว ต้องรอไปถึงพุทธกาลหน้าที่พระสีอานจะมาตรัสรู้เป็นสัพพัญญูผู้เบิกทางนิพพานแก่สัตว์โลกองค์ต่อไปแถมเมื่อย้อนดูตัวก็เหมือนตัวจะเต็มไปด้วยโครนกิเลสเลอะเทอะเปลือเปลือนทำใจให้เชื่อได้ยากว่าตนหรือคนรอบข้างทั้งหลายจะมีกำลังเพียงพอบุกบั่นเข้าถึงมรรคผลก่อนสิ้นชีวิตเอาจิงๆ ที่ปล่อยให้ความเชื่อดังกล่าวปลูกฝังลงในใจชาวพุทธคออนประเทศได้นานเพียงนี้ก็เพราะเราคุยกันเองพูดกันเองในระดับสาวกไม่พากันพร้อมใจเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ไม่เปิดใจให้ท่านย้ำพระโอ์ยืนยันด้วยองค์ท่านเองขอเชิญเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพร้อมกันเถิดพระดำรั t ยังดารงอยู่เรายังเป่าประกาศ ยังเป็นกระบอกเสียงแทนพระศาสดาได้หากถามท่านในวันนี้ก็เชื่อเถิดว่าท่านจะยังตรัสเช่นเดิมดังปรากฏในตอนท้ายของมหาสติปัฐานสูตรคือใครก็ตามที่เจริญสติปัฐานทั้งสี่นี้อย่างต่อเนื่องเขาพึงหวังผลสองประการอย่างใดอย่างหนึ่งคือพระอรหัตตผลในปัจจุบัน หรือถ้ายังมีอุปาทานเหลืออยู่ก็เป็นพระอนาคามีภายในเวลาเจดปีหรือหปีหรือห้าปีหรือสี่ปีหรือสามปีหรือสองปีหรือหนึ่งปีหรือเจ็ดเดือนหรือหกเดือนหรือห้าเดือนหรือสี่เดือนหรือสามเดือนหรือสองเดือนหรือหนึ่งเดือนหรือสิบห้าวันหรือเจ็ดวันสรุปโดยคร่าว ผู้เป็นต้นตำรับวิธีบรรลุมรรคผลนิพพานนั้นให้การรับรองว่าคนบารมีมากใช้เวลาเจดวันบารมีอย่างกลางใช้เวลาเจ็ดเดือนบารมีอย่างอ่อนใช้เวลาเจดปีไม่ใช่ต้องใช้เวลากันนานทั้งชาติแต่อย่างใดต่อให้ใครที่หลงนึกว่าตัวเองบุญน้อยกิเลสหนาปัญญาหยาบขอเพียงมีกำลังและความตั้งใจจริง เจริญสติปัทานสี่ให้ได้เจ็ดปีอย่างน้อยต้องบรรลุมรรคผลแน่นอนบรรลุมรรคผลแล้วสุขเยี่ยมยอดอย่างไรรสชาติแห่งภา ว, วะลึกซึ้งสูงสุดจะประหลาดมหัศจรรย์ปานไหนถ้าจินตนาการไม่ถูกก็ยกไว้ก่อนเอาเป็นว่าแค่บรรลุมรรคผลขั้นแรกเป็นโสดาบันบุคคลที่ถูกต้องในพุทธศาสนา ก็เป็นประกันให้อุ่นใจแล้วว่าถ้าชาติพบมีจริงเราย่อมไม่ไหลลงอบายอีกและถ้านิพพานมีจริงวันหนึ่งเราก็เที่ยงที่จะเข้าถึงแต่ปัจจุบันไม่ค่อยมีใครกระพือข่าวอันเป็นมหามงคลของโลกดังกล่าวมีแต่เสียงลือดุดข่าวร้ายประจำยุคว่าช้าไปแล้วล้าสมัยแล้วสายเสียแล้ว มักผลเป็นเพียงตำนานที่เหล่าสาธุชนผู้มีวาสนาร่วมชาติร่วมแผ่นดินกับพระพุทธโคดมบันทึกไว้ให้คนรุ่นเราชื่นชมเล่นมิใช่ของจริงที่หาได้ในวันนี้วันพรุ่งอีกต่อไปณวันนี้แม้ยังมีชนกลุ่มน้อยเข้าเฝ้าพระสัสดาผ่านพุทธวจนะและเกิดศรัทธาประสาทเชื่อถือเลื่มใสว่า ยังเป็นไปได้จริงในปัจจุบันกับทั้งฮึกเหิมพอจะลงมือพิสูจน์ให้ประจักษ์ด้วยตนเองแล้วไม่สนเสียงบั่นทอนกำลังใจรอบข้างแล้วก็อุดสาเกิดปัญหาตามมาอีกจนได้นั่นคือคำถามคาใจว่าสติปัาสีคืออะไรทำตามลำดับขั้นหนึ่งสองสากันท่าไหนมีสิ่งใดเป็นเครื่องรับประ ก, กันว่าปฏิบัติถูกปฏิบัติตรง เมื่อช้างยืนอยู่สำหรับคนตาดีย่อมทราบทันทีว่ารูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแต่สำหรับคนตาบอดที่มีโอกาสลูบคลาเพียงบางส่วนย่อมเถียงกันไม่หยุดไม่มีจุดยุติลงเอ่ยว่าช้างเป็นอย่างไรแน่ใครจับตรงไหนก็นึกว่าช้างเป็นอย่างนั้นนับเป็นเรื่องลำบากที่ควรเห็นใจกันและกัน แต่ขอเพียงเป็นคนตาบอดที่ไม่ปักหลักยืนกับที่ค่อยๆจับจุดไปจนครบท่วนก็อาจรู้จักช้างทั้งตัวเท่าเทียมหรือใกล้เคียงคนตาดีได้อุปมาอุปไมเช่นเดียวกันกับที่เราพยายามมองเห็นสติปัฏฐานสี่ให้เป็นภาพรวมในคราวเดียวย่อมยากเย็นและดูเหมือนเกินเอื้อมสำหรับคนบอดเช่นเราเราท่านท่าน แต่หากเปลี่ยนมุมมองลองปรับวิธีมองเส้นใหม่มาแลดูจุดง่ายสุดเหมือนขนมหวานชิ้นเล็กเคี้ยวง่ายคือขั้นตอนแรกสุดที่พระพุทธเจ้าสอนแค่ให้มีสติรู้ว่ากำลังหายใจออกหรือหายใจเข้าทุกอย่างก็คงดูเป็นไปได้มากขึ้นขยับใกล้ความจริงเข้าไปอีกนิดขอให้ทราบถึงว่า ลมหายใจเข้าออกที่เกิดขึ้นทุกขณะจิตนี้แหละคืออุปกรณ์ชิ้นแรกตราบใดใครยังมีมันตราบนั้นทุกคนตั้งหลักปฏิบัติสติปัฏฐานสี่ได้เสมอหนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์ง่ายๆหนึ่งคือให้ผู้อ่านหันมาสนใจฟังพระพุทธเจ้าตรัสสองคือแสดงให้เห็นว่าที่พระพุทธเจ้าตรัสไว เป็นความจริงได้อย่างไรผู้เขียนเป็นคนร่วมสมัยกับผู้อ่านเพราะฉะนั้นผู้เขียนจึงคิดแบบเดียวกันสงสัยแบบเดียวกันรวมทั้งอยากปลงใจเชื่อมั่นได้สนิทแบบเดียวกับผู้อ่านนอกจากนี้ยังมีโอกาสได้รับฟังคำถามคาใจของชาวพุทธจานวนหนึ่งซึ่งเหมือนกันราวถอดออกมาจากพิมพ์เดียวคือสงสัยว่า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 เพราะพระพุทธองค์ผู้รู้แจ้งแทงตลอดเยัยงสับพันญูเจ้าทั้งหลายรับรองไว้หนักแน่นว่าถ้าทำจริงต่อให้บารมีน้อยเท่าน้อยก็ต้องถึงที่สุดได้ในเจ็ดปีทุกอักษรในหนังสือเล่มนี้ยืนอยู่บนฐานเดียวกับวิธีตั้งคำถามหามรคลดังกล่าวหนังสือเล่มนี้จะได้แสดงตามลำดับตั้งแต่เดือนแรกไปจนถึงเดือนที่เจด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 เป็นสัจจะไม่จำกัดการหมายถึงยังปฏิบัติกันได้ในปัจจุบันหรือถ้าร้อยปีพันปีข้างหน้าสติปัฐานสี่ยังคงบันทึกสืบทอดกันอยู่ผู้คนในยุค น, นั้นก็จะสามารถปฏิบัติเพื่อถึงมรรคผลนิพพานกันได้ไม่ล้าสมัยแต่อย่างใดเลย